หลวงปู่ไม่สอนนะตอนนั้นหลวงปู่นั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงเนะี่ยเราก็นึกนะั่งโอ้หลวงปู่อายุทั้งเก้าสิบห้าแล้วสงสัยเพิ่งชันข้ามาอิม่มๆนะหลับไปแล้วนะหลวงปู่หลับไปแล้วเราถามว่าผมอยากภาวนานะท่านหลับไปเลยเราก็อาอรอเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นวะรอไปนานเลยนะรอรเพราท่านตื่นลืมตาขึ้นมาไม่ใช่ท่านตื่นแล้วท่านตื่นอยู่แล้วท่านไม่ได้หลับหรอกท่านคงสอบประวัติแล้ว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 ทำอย่างไรดีคะเนื่องจากว่าคนยกมือเยอะเหลือเกินนะคะ ค, คุณสมชายจะให้ทําอย่างไรครับก็จะมีไม้โยขออนุญาตซักซักสักสามสี่ท่านสามสี่ท่านนะคะอ่ะด้านหน้าด้านหน้ า, า น, นะคะครับขอส่งไม้ด้วยนะครับค่ะกับเรียนหลวงพ่อถามหลวงพ่อว่ากรรมฐานที่เหมาะกับตัวหนูคืออะไรคะเราชอบทําความสงบนะทําสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อย่าให้ใจมันนิ่ง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 แล้วจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตไม่ได้เจ็บความเจ็บความปวดนั่นเป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาแล้วถ้าเกิดจิตป่วยแลย้วด้วยหรอคะอะไรนะนเนี่ยบางเวลาให้ไม้แล้วจะยึดไม้นะคะรบกวนส่งไม้ขึ้นด้วยค่ะถ้าจิตป่วยให้รู้ทันฝึกให้มีสติไปนะให้เห็นเลยจิตไม่ยอมรับความจริงว่ากายจะป่วยจิตอยากให้หายหรู้ทันใจที่อยากหม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 คิดยังไงรู้สึกโกรธอตัวารู้ที่รู้สึกโกรธเสร็จแล้วเราก็เออปล่อยวางก็อภัยให้เขายกให้อันนั้นคิดเอานั่นคือ <laughs> เดี๋ยวว่าหลังก็โกรธอีกอะ <laughs> นั่นคือการไม่ค่ะคืออยากจะทราบว่าตอนที่เราคิดว่าเออนั่นความคิดนั่นนะฮะนั่นคือการแทรกแซงรหรือเปล่าแทรกแซงคือการทําสมถะเพื่อให้หายโกรธ <orm> คือถ้าถ้าเรารู้เราก็แค่รู้ว่าเออเราจบแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไป แค่นั้นเองแค่นั้นเองคือวิปัสสนาค่ะแถวที่สามมีหมคะเชิญคะ่ะพี่พี่ผู้หญิงลุกเลยนะคะหนึ่งคำถามเพื่อส่วนรวมนะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่คะ<ม>่ะพี่ขาเสื้อม่วงคะ่ะแถวที่สามนะคะมนมาส ก, การะอาจารย์คะ่ะขอถามว่าบางครั้งเออเมื่อไม่นานมานี้ภาวนาแล้วอยู่อยู่มันก็มีความคิดมันมีมีความสึกขึ้นมาว่า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 ยถาวะริวหาปุราปริปูเรนตีสาคะรังเอวเมวาอิโดดินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปติตังทุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีตโยวิวัตชันตตสัพพะโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะ